วันอาทิตย์ที่25พฤศภาคมพศ2540เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตตนิกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัต t าวันนี้วรุกรพระสูตรวันนี้เป็นสูตรในวัคที่เจ็ดลำดับสูตรที่แปดชื่อพระสูตรนั้นคือโกสัมพีสูตรคำว่าโกสัมพีนั้นมาจากชื่อเมือง ซึ่งเป็นที่ที่ผู้แสดงธรรมและผู้ฟังธรรมหรือผู้สนทนาธรรมในสูตรนี้ทำนักอยู่เนื้อความของสูตรนี้พูดถึงเรื่องการรู้ได้ยานเฉพาะตัวที่ภาษาบาลีใช้คําว่าปัจจัตตังคือการรู้เฉพาะตัวเนื้อความในพระสูตรโดยลําดับมีว่าสมัยหนึ่งท่านมุสิละท่านปวิทธาท่านพระนารทะ และท่านพระนอนอยู่หนโคศิตารามกรุงโกสัมพีครั้งนั้นท่านพระปวิธาได้กล่าวคานี้กับท่านมุสิละว่าดูก่อนท่านมุสิละเน้นจากความเชื่อความพอใจการฟังตามเขามาความตรึกไปตามอาการและจากการทนต่อกมเพ่งคิดด้วยคิดถิท่านมุสิละมีญาณเฉพาะตัวว่าเพระชาติเป็นปัจจัย จึงมีชะลาและมรณะดังนี้หรือท่านมุสีละกล่าวว่าท่านกวิจจาเว้นจากความเชื่อเป็นต้นผมย่อมรู้ย่อมเห็นอย่างนี้ว่าประชาติเป็นปัจจัยจึงมีชะลาและมรณะอันนี้ก็เป็นเนื้อความในส่วนประเด็นแรกผมก็จะย้อนกลับมาพูดถึงเนื้อเรื่องในเบื้องต้นที่กล่าวถึงพระเสราสีรุ่ม ได้แก่ท่านมุศิลาท่านปวิสาท่านนารธาและท่านอนน์เนี่ยในสี่รูปนี้มีรูปเดียวเท่านั้นที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็มีสองรูปเป็นพระอนาคามีมีหนึ่งรูปเป็นพระโสดาบันท่านคงจะเดาได้ว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันนั้นคือท่านพระอนน์ท่านอนน์นั้นเป็นพุทธอุปัฏฐาก็จริงแต่ในส่วนแห่งคุณของท่านเป็นพระโสดาบันส่วนท่านปวิสสากับท่านนารธนั้นเป็นพระอนาคามี จึงเป็นพระอัยยบุคคลชั้นที่สามในพระพุทธศาสนาทัานมุสิละเป็นพระอรหรันต์ทั้งสี่รูปนี้มาพำนักอยู่ในวัดเดียวกันคือวัดโคสีตารานซึ่งเป็นวัดที่พระเคยมาวิวาทกันระหว่างกลุ่มของวินัยทรกับกลุ่มของธรรมะถึกจนเป็นเหตุให้พระผู้เมียภาพเสด็จไปประทับอยู่ที่ป่าเลลายกะนั่นเองเอากุงโกสัมพีนั้น เป็นเมืองหลวงของแคว้นวงังสัมซึ่งมีพระเจ้าอุเทนเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าอที่แคว้นนี้มีวัดอยู่หลายวัดในกันนะวัดที่เราได้ยินชื่อติดทูเมื่อเอ่ยถึงเมือง น, นี้ก็คือวัดโกติตารามนี่เองและอีกวัดหนึ่งก็คือกุกุตารามก็เป็นวัดที่พอจะได้ยินชื่ออยู่บ้างและปาวาริการาม อีกวัดหนึ่งเป็นวัดที่สามและวัดที่สี่คือพัตริการามเป็นวัดที่ไม่ค่อยจะคุ้นหูเรานะท่านทั้งสี่พักอยู่ที่วัดนี้ซึ่งก็หมายความว่าท่านก็อยู่ตามอารามพุติที่กระจายอยู่ในหมู่แมกไม้ตามสภาพของวัดสมัยก่อนนั่นเองแต่ท่านตวิทธาซึ่งเป็นพระเจระองค์ที่สองเนี่ยค่ัเป็นผู้เปิดการโฆษนา ได้ถามท่านมูสิละอรานาว่าท่านเองเนี่ยเป็นผู้มีความเชื่อว่าชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรลาและมละะรณะความเชื่อว่าชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรลาและมรณ ะ, ะนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ใช่เชื่อด้วยเหตุสี อ, อย่างหาอย่างไม่ใช่หรือนะหาอย่างใช่หรือไม่ท่านมูสิระก็ตอบว่าท่านไม่ได้เชื่อคือไม่ได้รู้ได้เห็น ว่าชาติเป็นปัจจัยจึงมีชะลาและมนณะด้วยเหตุอื่นห้าอย่างนั้นแต่เชื่อเพราะความรู้ความเห็นด้วยญาณภายในอคือภาวนาญาณหรือวิปัสนาญาณกำว่รู้เ น, นี่นายเป็นไวยพ้นของคำว่าเห็นนั่นเองหมายถึงรู้ด้วยญาณแทงตลอดด้วยภาวนาญาณขั้นโลกุตละทีเดียวเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์ด้วยน่นประการหนึ่งผมจะขออธิบายความหมายที่พยายามจะเน้นให้เห็นแใส่บาลีเข้ามาด้วยว่า การเชื่อที่เว้นจากความเชื่อที่เรียกว่าศรัทธายะตรงนี้คืออะไรคือความเชื่อเนี่ยวจะเห็นว่ามีอยู่สองขยะตามในสูตรนี้ขยะหนึ่งที่บอกว่า อ, อที่ท่านมุศีละเชื่อเ ช, ชื่อว่าชาติเป็นปัจจัยแก่จราและมรณะเนี่ยก็ถือเป็นความเชื่ออันหนึ่งเป็นโลกุตระศรัทธาเป็นความเชื่อที่เกิดจากโลกุตระศรัทธา คือเอแล้วก็บอกว่าไม่ได้เชื่อเพราะความเชื่อฟังดูมันขัดกันนะไอเราเนี่ยเราเชื่อเพราะความเชื่อของท่านเชื่อไม่ใช่เพราะความเชื่อแสดงว่าเชื่อแรกกับเชื่อหลังไม่เหมือนกันความเชื่อเป็นในส่วนที่เป็นผลในส่วนที่เป็นผลคือความเชื่อของพระอรหันต์ที่ท่านเชื่อปียานอย่างเห็นแล้วจึงมาเชื่อภายหลังแต่ความเชื่อที่ว่าศรัทธาเนี่ย มันเป็นความเชื่อที่เป็นเหตุความเชื่อที่เป็นเหตุเนี่ยความจริงเราก็จำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องใช้คือถ้าเราไม่เชื่อเสเลยเราก็ไ ม, ามา ch ch ไม่สามารถที่จะทำอะไรเลยเมื่อไม่สามารถที่จะทำอะไรเลยก็ไม่สามารถที่จะมีความเชื่อในส่วนที่เป็นผลแต่ความเชื่อในส่วนที่เป็นเหตุเนี่ยมันมีผิดมีถูกมกีเป็นสองอย่างถ้าเป็นอย่างผิดเนี่ยท่านหมายถึงความเชื่อบุคคลสักแต่ว่าเชื่อ อย่างที่พระสูตรนี้อ้างที่ใช้คำว่าสรัทธาเนี่ยเป็นความเชื่อในบุคคลเปผมว่าเปาตถกตาแก่ที่จะเชื่อเพราะรูขับประมาณิกาหรือโคสะประมาณิกาก็ตานเราเชื่อคนนั้นคนนั้นพูดเดี่ยเราก็เชื่อคือเชื่อคนแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูดศรัทธาของเราไปแขวนอยู่กับบุคคลการรับรู้ของเราไปแขวนอยู่กับความเชื่อบุคคลแต่ศรัทธาที่เราถือว่าเป็นเหตุได้ คือศรัทธาที่เรียกว่าอาการศรัทธาจะต้องเป็นความเชื่อที่เลื่องด้วยหลักการอย่างเช่นว่าเราเชื่อในเรื่องของหลักวิปัสสนาจะทําวิปัสสนาเนี่ยนะะเราจะไปทําเพราะเชื่อบุคคลเขาบอกให้เชื่อเท่านั้นไม่พอใช่ไม่ได้จะต้องฟังเหตุฟังผลฟังหลักการฟังวิธีการกั่นกรองดีแล้วพอใช้ได้แล้วจึงใช้ความเชื่อนั้น ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติต่อไปจริงอยู่ความเชื่อในขั้นนี้อจะเป็นความเชื่อที่ยังไม่ได้เกิดยานอย่างรู้ก็จริงแต่เราก็จําเป็นต้องใช้เพราะว่าเราไม่อาจที่จะรอให้มียานอย่างรู้ก่อนแล้วมาเชื่อโดยไม่อาศัยความเชื่อเลยทีเดียวนะไม่ได้อันนั้นเป็นความเชื่ออย่างในพุทธศาสนาแต่ในนี้ท่านว่าท่านเว้นความเชื่ออย่างผิดคือเชื่อศักแต่ว่าเชื่อบุคคลเท่านั้น อาจารย์กถาท่านนี้งอธิบายข้อนี้ว่าก็บางคนเชื่อต่อผู้อื่นย่อมยึดถือว่าข้อที่ผู้นี้กล่าวย่อมเป็นความจริงนี่เรียกว่าเชื่อเชื่อบุคคลไอ้ของเราเนี่ยเอาถือหลักการแต่ว่าหลักการอยู่ที่บุคคลแต่บุคคลต้องลองหลักการถ้าบุคคลนั้นไม่สามารถที่จะแสดงหลักการได้ความเชื่อที่บุคคลนั้นก็เป็นอันใช้ไม่ได้ พระอรหันต์รู้เห็นปัจจัยาการไม่เป็นอ่เป็นความเชื่อส่วนผลไม่ใช่อ่อคำว่าเป็นผลนั่นคือเป็นผลของวิปัสสนาของมรรคเองไม่ใช่เชื่อที่ไปอ้างถึงบุคคลอย่างที่เป็นความเชื่อนอกศาสนาข้อที่ว่าพอใจคือรุจิยายข้อนี้ท่าน หมายถึงความชอบใจหลักการของบุคคลนั้นนั้นอันี้นผมพูดตามจนวนตรกะฐา อ, อไอ้เชื่อหลักการเนี่ยมันก็มีผิดไปถูกชอบหลักการไอ้ลูกจียาแปลว่าชอบศรัทธาคือเชื่อคนลูกจิยาคือเชื่อหลักการและคาว่าหลักการที่ท่านว่าเนี่ยมันต่างกับที่ผมพูดเมื่อตะกุกนี้การ ชอบใจที่เป็นความชอบใจนอกพุทธศาสนานั้นคือการชอบหลักการที่มาสาเร็จจากมูลความรู้ต่ำๆเรื่อง น, นี้ฉันบอกว่าเป็นนั่งคิดเอาแล้วก็นำหลักการนั้นมาเสนอเราฟังแล้วก็ชอบหลักการแต่เป็นหลักการชั้นต่ำมาสําเร็จมาจากมูลความรู้ต่งๆทานั้นเองอ่า ก็ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วก็อั น, นึงเนี่ยเรื่องปฏิจจาระเรื่องหลักพุทธศาสนาเนี่ยบางทีเนี่ยเราเองต้องมองให้ออกอันหนึ่งที่เรียกว่าคนที่ชอบเรื่องการปฏิบัตินี่ยที่เคยปราลบถึงบางคนเนี่ยเป็นเพียงผู้ชอบหลักการเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนอธิบายชี้แจงได้เฉพาะในเชิงหลักการเท่านั้นแต่ไม่ชอบเรื่องการปฏิบัติ ไม่ไม่ชอบในภาคปฏิบัติแต่ในในการอธิบอภิปรายหลักการเนี่ยดูเป็นเหตุเป็นผลดีอย่างนี้เรียกว่าชอบในขั้นหลักการถึงแม้ว่าไอหลักการนั้นจะดีแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวผลถ้าใช้เป็นตัวเหตุพอได้แต่สมมติว่า เ, เราเราสังเกตคนนะสังเกตในคนที่พูดถึงเรื่องการปฏิบัติเนี่ยที่สนใจเรื่องการปฏิบัติเนี่ยเราก็พบว่าบางคนไม่ชอบหลักการคนคิด คือพูดใ่ว่าชอบเรียนรู้เรื่องหลักปฏิบัติแต่ปฏิบัติไม่ขึ้นบงังหรือไม่ชอบเรื่องการปฏิบัติมั่งเวลาพูดมีเหตุมีผลบางทีพูดมีเหตุมีผลดีกว่าคนที่เป็นคนปฏิบัติได้ผลได้ทำไปอันนี้เราก็ต้องแยกให้ออกแต่ว่าความชอบความชอบในทางหลักการเนี่ยความชอบนั้นไม่ใช่เป็นความชอบในส่วนผลก็จะมาอ้างอย่างเป็นผลไม่ได้ การอ้างอย่างเป็นผลนั้นจะต้องผ่านกระบวนการการรู้เห็นอย่างแท้จริงแต่ความพอใจใดที่เป็นความพอใจหลักการนอกาศาสนาที่คิดเอาข้อนี้ท่านถือว่าเป็นความชอบที่แม้แต่ขั้นเหตุก็ยังใช่ไม่ได้ข้อที่สามที่บอกฟังตามเข้ามาอันนี้มีความหมายง่ายๆนะครับอย่างที่ท่านบอกว่ า, เ, าเชื่อตามโลกเชื่อตามส่วนใหญ่ เพราะว่าอิทธิพลของคนส่วนมากเชื่อนับถือยกย่องเนี่ยจะมีผลมีพลังต่ อ, อความเชื่อของบุคคลในโลกนี้เป็นอันมากคือเราเป็นไงว่าถือตามเสียงส่วนใหญ่ตามคตินิยมส่วนใหญ่เราทั้งหลายก็จะตกอยู่ในอิทธิพลนี้แม้ในสมัยก่อนก็เหมือนกันแม้ในสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันซึ่งความเชื่ออย่างนี้ด้วยเหตุนี้ก็ไม่เป็นส่วนผลที่ใช้ได้ และเป็นส่วนเหตุก็ใช้ไม่ได้ด้วยส่วนเหตุที่เชื่อโดยทั่วๆไปนะถ้าเป็นความเชื่อที่เราถือว่าตามๆกันมาสืบตามกันม า, อ, า, มนมาอย่างเช่นพระไตรปิฎกเนี่ยการสืบตามนั้นจะต้องเป็นการสืบตามอย่างมีเหตุผลที่กลั่นกรองศึกษาพิเคราะห์ดีแล้วจึงจะใช้ได้เทียเหมือนกับประเพณี ประเพณีบางอย่างก็ศักดิ์แต่ว่าเป็นประเพณีแต่ชาวอย่างคติทางศาสนาพุทธเหล่านี้พระพุทธเจ้าเองจะทรงนับถือประเพณีจะได้ทรงอ้างอยู่เสมอว่าข้อนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตได้ปฏิบัติมากระทั่งว่าที่ที่ตัสรู้ที่ประาที่ประนิพภานที่แสดงธรรมจักรอะไรเงี้ยนะท่านก็นจะคอยคลอกดูว่าเอพระพุทธเจ้าในดีเคย บริโภคสถานที่เหล่านี้มาท่านก็จะไปใช้สถานที่เหล่านั้นแล้วก็ทำเนียมของพุทธเจ้าว่ามีทำเนียมในอดีตมาอย่งางไรจะทรงรักษาทำรรเนียมไว้ในฐานะที่เป็นพุธทธวงศ์ทำเนียมอย่างนั้นใช้ได้และการผิดธ ร, รมเนียมก็เป็นอันผิดทำเนียมในทางวินัยทรงไว้เช่นเดียวกันแต่ทำเนียมบางอย่างเนี่ยผิดก็ใช้ไม่ไ ด, ด้ในฐานะที่เป็นเหตุถ้าในฐานะที่เป็นผลแล้วก็อย่างเช่นอาการบรรลุอริยสัจสี่ ก็เป็นเรื่องเก่าๆที่สืบๆกันมานั่นเองพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก็บรรลุอริยสัจสี่พระอรหันต์เป็นต้นสมัยก่อนก็บรรลุอริยสัจสี่เป็นเรื่องในแนวเดียวกันแต่เป็นสิ่งใช้ได้และว่าในทางาศาสนาเราก็ไม่มีอะไรใหม่มีแต่เรื่องวกวนซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งในทางดีทางไม่ดีมันก็เป็นอย่างนั้นท้งนั้นเรียนศาสนาพุทธนั้นเลือกเล่นเฉพาะในทางที่ดีที่ถูกต้อง สำหรับข้อที่ว่าตรึกตามอาการข้อนี้ท่านหมายถึงการคิดตามรูปของเหตุผลเห็นสิ่งใดก็คิดโยงไปถึงอีสิ่งนั้นอีสิ่งหนึ่งที่คาดการไปถึงในรูปของเหตุผลซึ่งใช้ไม่ได้กับความเชื่อที่เป็นผลในระดับอริยะและข้อสุดท้ายก็คือที่สำนวนบาลีแม่แปลแล้วก็เข้าใจได้โดยยาก ที่ว่าการทนต่อความเพ่งพินิษ์ด้วยทิฏฐิที่บาลีใช้คำว่าทิฏฐินิชานักขันธิยาเนี่ยหมายถึงการพิเคราะห์ทฤษฎีไปตามหลักที่ตัวเชื่ออยู่ก่อนตามมูลความรู้ทิฏฐิตัวมีอยู่ก่อนเอามาเป็นเครื่องพิเคราะห์ทฤษฎีแล้วก็ผลออกมาอย่างไรก็เชื่อไปตามนั้น ถ้าเป็นความเชื่อขั้นโลกิยะขั้นเบื้องต้นเนี่ยมก็พอพอพอใช้ได้คืใช้ได้ไปก่อนในฐานะที่เป็นขั้นตอนเบื้องตอน้นเราก็จาเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เราพอมีพอจะไปที่เคราะห์ความรู้ใหม่ที่เข้ามาให้มันออกมาเป็นผลที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ใช้ไปก่อนเชื่อไปก่อนแต่ว่าไม่ใช่เป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นความเชื่อของพระอริยะที่เป็นความเชื่อขั้นผลเนี่ย ต้องไม่เกิดจากการพิเคราะห์ไม่ได้เกิดจากการพิเคราะห์ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เก่าแล้วเขาออกมาเป็นผลความเชื่อแต่เกิดจากการยังเห็นด้วยภาวนาญาณจริงๆท่านเปวิธาท่านก็บอกว่าความเชื่อของท่านเนี่ยค็นเชื่อว่าชาติเกิดจากชราลมน่ะเกิดจากชาตินั้นเกิดจากความรู้ความเห็นของท่าน ในทางภาวนาอยากทนหมายความอย่างนั้นตอนนี้ถัดไปก็เป็นแต่เพียงเปลี่ยนจากชาติยานไล่ไปจนทั่งถึงอาวิชาญาณที่ท่านมุสิละได้ถามถึงองค์ปฏิจจานุบาตในตอบอื่นว่าเว้นจากความเชื่อความพอใจการฟังตามก็มาความติดตาอาการการทนต่อการเพ่งพินิษเ์อ่าไอ้ทนต่อการเพ่งพินิษฐ์บางทีผมลืมย้ําไปว่า ทำไมถึงใช้คําว่าทนต่อการเป็นนี้ที่ใช้คำว่ากาันติเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือเทียบเหมือนกับว่าไอ้ความรู้ใดที่ผ่านการเผาไหม้นะะเผาไหม้ด้วยทฤษฎีความรู้เก่าแล้วก็มันยังไม่หมดไหม้ไปละลายไปกับความเด็ดเป็นความเด็ดความรู้เหล่านั้นถือว่าทนต่อการพิเคราะห์ในทางทฤษฎีที่ตัวรู้ทนผู้นี้ว่าทนต่อการที่สูดด้วยทฤษฎีที่ตัวเองมีอยู่ ไอ้ทนเนี่ยก็หมายความว่าไอ้คนไหนมีสดีพื้นความรูกแกไหนก็วิเคราะห์แล้วมันก็ออกมาเป็นสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าเออมันฟังได้ก็รับเชื่อไว้แต่ที่เราพูดถึงพระพุทธศาสนาว่าทนต่อการวิสุทธิ์พ้นการพ้นสมัยในที่เราพูดกันทั่วไปเนี่ยมาผ่านการพริเคราะห์ด้วยศาสตร์ต่างๆด้วยบุคคลต่างๆเป็นบรรพันปีแล้วก็ยังอยู่ได้ คือไม่ล้มละลายไม่หลอมเหลวกลายเป็นไอเป็นกันไปเพื่ก่อนเนี่ยแสดงว่าเป็นของทนต่อการพิสูจน์อันนี้ว่าถึงทั้งาศาสนาเวลาที่เราจะวิเคราะห์ความเชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยเราก็ต้องเอาข้อมูลที่เรารู้เรามีมาวิเคราะห์ว่าไอานี้จริงหรือไม่จริงถ้าพิสูจน์แล้วมันยังทนอยู่ได้ว่าเออจริงเราไม่สามารถจะปฏิเสธได้อย่างแท้จริงเราก็ต้องจําเป็นต้องรับไว้ เนี่ยถ้าเป็นคนที่ขี้ติดความเชื่อเนี่ยเป็นคนติดความรู้ติดความเชื่อเนี่ยมักจะปรับใจเชื่อในสิ่งที่ตัวเองพิเคราะห์ในขั้นตน้ตนๆไม่เผื่อความผิดคลาดที่อาจมีได้ถ้าพิสูจน์ว่าจริงแล้วก็อยู่แค่นั้นแหละไม่ฟังไม่คิดไม่เผื่อใจไม่นับถือความจริงที่ตัวเองควรจะพิเคราะห์ศึกษาต่อไปอย่างนี้เป็นลักษณะที่ไม่ถูกนะ ถ้าเป็นอย่างของเราเนี่ยอะไรอะไรเราก็พิเคราะห์เหมือนกันแต่พิเคราะห์เพื่อที่จะทําให้ได้ความจริงยิ่งขึ้นจนกระทั่งถึงที่สุดของความรู้เมื่อใดความเชื่อนั้นจริงจะสมบูรณ์ถึงขั้นอันติมัสในประเด็นตรงนี้ท่านก็พูดถึงปลอกอื่นๆของปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นเองครับผมก็ไม่จำอธิบายในส่วนของเนื้อหาตรงนั้นซึ่งท่านพระวิษณ์ก็ยอมรับด้วยการตอบรับว่า การที่ท่านเชื่อความเป็นเหตุเป็นผลของปฏิจจ์องค์อื่นๆไปจนถึงสังขารเกิดจากวิชาเนี่ยก็เป็นความเชื่อที่เกิดการขึ้นจากการอย่างรู้อย่างเห็นตรงนี้เนี่ยเราก็มาเปรียบเทียบระหว่างเรากับพระอาหารหันต์ที่ชื่อว่าสามุสิละเนี่ยเราความเชื่อของเราเองเนี่ยยังอยู่ในขั้นเบื้องต้นสี่อยง เพียงแต่ว่าไอ้ขั้นต้นๆที่อย่างเราเป็นข้อมูลที่ดีเท่านั้นเองเป็นข้อมูลที่มาจากกระแสะความรู้และอธิบายให้เราฟังแต่เรายังไม่ได้ความเชื่อที่สําเร็จจากญาณอันเป็นผลเกิดขึ้นจากญาณที่เป็นความเชื่อบริสุทธิ์ในประเด็นที่สามถัดไปจะเป็นการกล่าวในทางสายดับว่ามรณะญาณจนกระทั่งถึงอวิชา ยานความรู้ในมรณะจนกระทั่งถึงใน่จริงๆัรนี้มันต้องเป็นชลามรณะยานนะแต่ชลาเข้าไปอีกหน่อยไปอยู่ในองค์เดียวกันจนถึงอวิชา ย, ยานในความดับประเด็นสองเนี่ยเป็นความเกิดสายเกิดประเด็นหลังเป็นสายในความดับท่านก็ตอบว่าท่านเห็นว่าเพราะชาบดับชลาและมรณะถึงดับเป็นต้นจนถึง อวิชาดับสังขารยังดับก็เป็นความรู้จักการอย่างเห็นแต่ตัวนี้ผมก็จะไม่อธิบายขยายความแต่จะเพิ่มเติมในจุดที่เป็นแง่มุมตรงนี้ว่าการอย่างรู้ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดแต่ละองค์แต่ละองค์รู้คราวเดียวทั้งหมดสิบสององค์สิบสองความสัมพันธ์หรือ ทีละหนึ่งในสายเกิดนะแล้วก็สายดับก็เหมือนกันรู้ความดับทีละปลอกทีละปลอกหรือรู้ทีเดียวทั้งหมดนี่อันหนึง่งแล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็คือสายเกิดกับสายดับทุกปลอกเนี่ยรู้ทีละส่วนคือสายเกิดส่วนหนึ่งแล้วมารู้สายดับหรือรู้พร้อมกันทั้งสายเกิดสายสายดับทั้งหมดรู้แบบเด็ดเสร็จ หรือว่ารู้แบบทีละหน่วยทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วก็ทีละสายนี่เป็นคำถามาผมก็จะอธิบายให้คำตอบว่าเรื่องการรู้ปฏิจจสมุปบาทโดยประการทั้งปวงเนี่ยครับจะมีเป็นห้าประการประการที่หนึ่งคือรู้ในขั้นสุตะขั้นสุตาก็คือขั้นฟังแล้วก็นึกตามที่ฟัง ท่านปริยัติอะปริยัตินั้นรวมทั้งสูตรตรทั้งจินตาคิดอยู่ในนี้ด้วยท่านก็ถือว่าเป็นขั้นปริยัติอันหนึ่งนะแล้วก็สองรู้ขั้นสมถะฌานอริญานี่เป็นขั้นที่สองแต่ต้องกำหนดว่าเป็นการรู้ขั้นฌานอริยานในศาสนาถ้านอกศาสนาแล้วเราไม่นับเอาถึงจะรู้ว่า ะสัตว์ตายและจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งก็เป็นการรู้นอกศาสนาไม่ได้รู้อยู่ในพื้นฐานของวิปัสนาภูมิของความตั้งใจอย่างพุทธศาสนาแต่คนที่ได้ฌานได้ปัญญาและเรียนรู้เรื่องทฤษฎีทางวิปัสนาแล้วก็ใช้ยาอภิญามาเป็นเครื่องเสรือกูลต่อวิปัสนาเนี่ยมีส่วนในการรับรู้ในสติของการทําวิปัสนาด้วยขั้นตอนหนึ่งการทําวิปัสนาด้วยก็คือ ถ้าจะให้ผมเรียงให้ฟังและพอนึกได้ก็คือว่าการฟังเป็นอาทิปรมจารย์ที่เคยพูดแล้วตั้งเยอะนะฮะการฟังเรื่องวิปัสนาภูมิเป็นอาทิพรมจารย์การคิดนึกตรึกตรองพิจารณาใกล้ครวนี่เป็นสิ่งจำเป็นขาดไม่ได้ต้องรู้ขั้นนี้ไม่รู้ขั้นนี้แล้วที่เหลือทำไม่ได้แล้วก็เมื่อมาปฏิบัติเนี่ยก็จะมีขั้นศีลศีล น, นี่เราก็ก็ถืสอสครับเป็นขั้นสุดต่ำ กสุตานี้จะต้องเรียนด้วยเรียนเรียนในตัวทฤษฎีวิปัสนาด้วยแล้วก็เรียนรู้เรื่องศีลแล้วก็สมาทานทั้งสองอย่างถ้าเป็นสุตาสมาทานไว้ในความเข้าใจว่าจะต้องทําเพื่ออย่างนี้ต้องทําอย่างนี้แต่เป็นศีลก็สมาทานได้ร่วมการรักษาอยู่ในขั้นขั้นเบื้องต้นเดียวกนพอมาถึงขั้นของสมถะอริยาเป็นขั้นของจิตตาวิสุทธิขั้นจิตตาวิสุทธิจิตบริสุทธิ์ แล้วก็ในคัมภีร์เนี่ยในอันตกรถาที่อธิบายขันธวารวัตท่านอธิบายไว้ชัดเลยว่าคนที่คือในนั้นพระเจ้าทรงตรัสว่าบุเพนิวาสาบุเพนิวาสาการรู้อดีตแต่แทนที่จะเป็นเรื่องของบุเพนิวาณิติอภิญาอย่างธรรมดาบอกไม่ใช่เป็นบุเพนิวาสาในเครือของพิปัญนา แล้วก็บอกว่าอการทํำวิปัสสนาในผู้ที่ได้ชาลวิญยาเนี่ยได้เปรียบมากได้เปรียบมันเหมือนมีแว่นขยายดีได้เครื่องช่วยดีทําให้เราละรสชาติก่อนได้เพราะะฉนั้นก็จะทําให้การการู้ปัจจัยผริขายาเนี่ยมันหลุดไอตัวกังขาวิทยานก็หลุดไปตั้งเยอะแลหละจะไมัน้องไม่ต้องมานั่งสงสัยเรื่องกรรมเพราะมันมียะถากรรมูประกาวิยาช่วยไม่ต้องมานั่งสงสัยเรื่องชาตินี้ชาตินาหน่า เพราะมันมีบุเพนิวาสาในสติช่วยเนี่ยท่านยืนยันไวเลยนะครับในคำพิว่าเป็นเครื่องช่วยอย่างวิเศษเลยเป็นเครื่องทุนแรงอย่างวิเศษทําให้วิปสัสสนานเนี่ยก้าวกระโดดแล้วก็การละคลายคิดทีก้าวกระโดดไม่ต้องมานั่งหากฎแหงกรรมอ่านคนละเลิกชาตได้อให้พอจะอุ่นใจว่าตายแล้วเกิดกรรมมีอย่างนั้ยไม่ต้องหรืไปอ่านเนื่งประวัติพระมีพญายังมัก็ไม่ต้อง รู้เห็นเองเลยแล้วก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในทางวิพัฒนาเพราะฉะนั้นบุเพนิวานะรู้สติที่ในขันธวารวักตรัสแกภิสุทลหลายเนี่ยท่านจ่นบอกไ ม, ไม่ได้หมายถึงอันอื่นนะหมายถึงอันนี้เกี่ยวกับอันนี้ก็หมายความว่าปฏิจารเนี่ยคนได้ชาญพิญญาโดยเฉพาะที่เป็นชาวพุทธและรู้เรื่องสุตะเรื่องนี้รู้ได้ไหมรู้ได้ดึงเข้าประเด็นนี้ได้อย่างถนัดสาม รู้ขั้นโลกียากวิปั ส, สนารู้ขั้นโลกียากวิปั ส, สนาเขาหมายถึงเมื่อทํำวิปั ส, สนาเกิดยานแล้วก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคนไม่เคยเชื่อกรรมก็เชื่อกรรมคนไม่เคยเชื่อสวรรค์นรกก็เชื่อสวรรค์นรกคนไม่เคยเชื่ออะไรหลายอย่างใช่ไหมก็จะค่อยๆเริ่มเชื่อขึ้นมาโดยลําดับเริ่มประจักษ์แจ้งเห็นเองโดยลําดับเปลี่ยนแปลงเองโดยลําดับและขั้นที่สี่ก็คือขั้นมรรคผล ขันมังกรยานะยขั้นที่ห้าขั้นปัจเจเวทถานยามมีอยู่ห้าขั้นจะรู้เกี่ยวกับเรื่องปฏิจจัตทั้งคนที่ทำวิปัสนาโดยในของปฏิจจักหรือปัจจัาการก็จะรู้รู้โดยตรงเลยครับโดยตามรูปแบบตามความตั้งใจหรือทำวิปัสนาโดย บ, บักอื่นแต่ก็รู้มาถึง ปัจจัยาการด้วยถึงจะไม่โดยตรงแต่เมื่อเรียบเรียงความคิดแล้วก็ออกมาเป็นปัจจัยการได้ตรงนี้นะผมก็พูดถึงความรู้เป็นห้าขันทีนี้กลับเข้ามาปัญหาที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้เมื <c> ่อ <oughs> เราพูดว่ารู้เนี่ยผมตั้งปัญหายังไม่หมดยังต้งองต้องเตอมเติมเมื่อคีดตั้งปัญหาว่าเวลาคนรู้ปฏิจจารู้ทีละองค์ทีละปลอก หรือรู้ทีเดียวทุกองค์ทุกหล่ยอันหนึ่งนะคนรู้ปฏิจจะมันมีสายเกิดกับสายดับรู้ทีเดียวทั้งสองสายทุกองทุกหลอดด้วยหรือว่ารู้ทีละองค์ทีละหลอดและทีละสายนี่อันหนึง่งและที่จะเติมก็คือว่าเวลารู้ปฏิจจะเนี่ยรู้ในอันหนึง่งละอันหนึง่งหรือว่าทั้งรู้ทั้งละเป็นไปพร้อมกันคือในขณะ กำหนดปฏิจจารสายเกิดก็มีการละมีการดับเดี๋ยวจะถามให้ยงต่อวิธีเมื่อมีการกําหนดรู้ดับสายเกิดก็เกิดไปเรื่อยอย่างนั้นหรือไม่หรือรู้สายดับก็ดับต้องรู้อะไรตอบซิ่งก่อนว่าเวลาคนรู้ปฏิจจาสายเกิดสายดับเนี่ยมีการละทั้งคู่รู้สายเกิดแทนที่จะเกิดกับดับรู้สายดับแทนที่จะเกิดก็ดับ อยู่ดีเหมือนกับบุคคลรู้อกุศลรู้กุศลเหมือนกับบุคคลรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้กุศลกุศลเกิดแน่รู้อกุศลอกุศลเกิดใช่ไหมนะเกิดหร้อดับเมื่อเราโกรธเรารู้ว่าเราโกรธความโกรธเกิดใหญ่เลยเพราะเราไปอปยุ่ง ม, มันเข้ามันหดับเออมันกลับไปอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้น ทีท่านบอกว่าเป็นผู้ฉลาดในอาบัตกับไม่อาบัตกับคืออาบัตน้อยลงหรือว่าคุมอาบัติได้ดีคือเมันเป็นไปนในทางบกรู้ความออกจากอาบัตริรู้าความไม่เป็นอาบัติกับคนผิดได้ดีคนรู้อกุศลกับไม่ถืออกุศลความงามกับมีพลังนา่ละเพราะความรูม้ต้องรู้ทั้งฝ่ายต่ําฝ่ายสูงฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายประโยชน์ฝ่ายไม่ดีแต่ได้ประโยชน์ทั้งคู่ รู้บาปเนี่ยเพื่อที่จะได้บุญรู้บุญก็เพื่อจะได้บุญเหมือนกันไอ้ไม่รู้บุญก็ได้ได้บาปแทนที่จะได้บุญไอ้ไม่รู้บาปก็แทนที่จะพ้นบาปกับบาปหนักขึ้นพียตามพยามิรินว่าไม่รู้บาปไม่เชื่อบาปตามบาปบาปมากเลยเพราะไม่รู้ไอ้ความไม่รู้นั้นเป็นประโยชน์เป็นนิตรของความชั่วทุกอย่างอันนี้คือคําตอบนะเพราะนั้นเวลาที่ท่านรู้สายดับเนี่ยก็ดับ ไปตามส่วนขั้นของความรู้รู้สายเกิดกับดับอย่างเช่นเรารู้ว่าโอ้โนี่เพราะเอาพิชานี่เองสังขารจึงเกิดเจ้าอุปตัญหานี่เองอุ ป, ปาทานจึงเกิดกิเลสดับดแล้วทำความชั่วนี่เองจึงได้รับรูปแบบความชั่วก็สิ้นไปไม่เจริญรุ่งเรืองตรงนี้เราจะตอบดีประมาที่นี้มาตอบในส่วนว่าตอบอย่างรวมรวมก่อนเนี่ยนะว่าการรู้ปฏิจจาร ทุกกรณีเนี่ยไม่ว่าจะงคงไม่ว่าจะสายมันมีสองกับสองกรณีกรณีหนึ่งคือรู้ทีละส่วนทีละส่วนรู้ทีละส่วนทีละองค์แล้วก็ทีละสายแต่มีการละทั้งคู่นะจะรู้สายไหนที่ว ร, รู้ก็มีการละไปตามกําลังของความรู้นั้นมีกรณีแรกคือรู้ทีละส่วนรู้แยกจําแายรู้แยกอีกส่วนหนึ่งคือรู้รวมรู้รวบยอด เรียกว่าอาทิตย์ใคหามนตรีการการมตรีการรวบยอดการรู้รวบยอดแล้วก็มีการละไอการละนี่ยืนไปเลยเราพูดได้ว่าการรู้สองแบบนี้การรู้ใดที่รู้รวบยอดมากเท่าใดพลังการละมีสูงเท่านั้นและแสดงถึงความแหลมคมของความรู้ดีเท่านั้นด้วยการรู้ใดที่รู้แยกส่วนเท่าไหร่จหมายถึงมีรู้เป็นหน่วยย่อยเป็นกรณีเป็นการละต่างๆกัน พลังความรู้นั้นอ่อนยังอ่อนอยู่และพลังการละก็น้อยทีนี้ก็จะมาถึงปัญหาที่จะเฉลยว่ารู้ขั้นไหนรู้แยกรู้ขั้นไหนรู้รวมดันดูจากนาย่างเมื่อกี้นะครับข้อที่หนึ่งนะ่นรู้แยกคือรู้ขั้นปริญญาสเนี่ยครัรู้แยกเหมือนอย่างเราพลังคพูดเนี่ยเวลาพูดก็พูดแยกฟังก็ฟังแยกคิดไปทีละอย่างทีละอย่างใช่ไหม แล้วก็อาการละก็ละได้น้อยแต่ตรงนี้เขาเรียกตะทางขับอาหารเหมือนกันนะ่ะต่ทางขับอาหารเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นการประหารในลักษณะกว้างคือแปลว่าละด้วยองค์นั้นๆถึงจะใช้คําว่านั้นๆเนี่ยละด้วยองค์นั้นๆคําว่าองค์เนี่ยเป็นหมายถึงเครื่องละวิธีละมีหลายแบบฟังก็ละรักษาศีลก็ละอย่างหนึ่งขั้น กรทั่งถึงทำวิปัสนาได้แต่ละยานก็ละขั้นหนึ่งขั้นหนึ่ ง, นนงองค์หนึ่งองคหนึ่งข้อหนึ่งข้ น, นแล้วก็ทําฌานอริยาก็ละแบบแบบแอ้ตันี้ท่านยกให้เป็นพิเศษว่าเป็นแบบแบบอวิคัมพันะละแบบมขมข้อสองคือละด้วยชานาริยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการละไอเป็นการรู้แบบแยกส่วนตรงหือเป็นการรู้แยกส่วนเหมือนกันนะยังไม่สมบูรณ์ ขั้นที่สามที่เรียกว่า ล, ละด้วยโลยีวิปัสนาเนี่ยเป็นตะทางขบอาหารรู้แยกส่วนการรู้แยกส่วนแต่ละขั้นเนี่ยมีการแยกในลักษณะที่มีส่วนใงการแยกส่วนในการรวมแตกต่างกันไปแล้วอย่างคนที่ทำวิปัสนาญาณสูงเนี่ยมันรู้แบบเป็นหมวดเป็นหมู่มากขึ้นแต่ถ้าเป็นขั้นปริยัดเนี่ยยิ่งประหยัดน้อยถลายการรู้เฉพาะจุดจะมีเป็นส่วนมาก การรู้ทั้งฝืนการรู้ช่วมเยืม่ยมโยงจะมีน้อยอันนี้ก็เป็นธรรมดาของการเรียนรู้แต่วิถ้ามาถึงขั้นวิทัศสเนี่ยจะมีลักษณะของหน่วยรวมมากขึ้นแล้วก็ไอ้หน่วยแยกจะจะลดลงพอถึงขั้นมรรคายานผลายานในโลกตะลายานการรู้นั้นเป็นการรู้แบบไม่ต้องรู้คือรู้สมบูรณ์รู้แบบไม่ต้องคิดเป็นส่วนๆรู้แบบไม่หลง เรื่องปฏิจจะเนี่ยทัานถือว่าไม่ต้องมาคิดก็รู้เพราะไม่หลงอีกแล้วถ้ารู้ในขั้นต้นเนี่ยมันยังถูกปิดล้อมไว้ด้วยความไม่รู้ความรู้ว่าจุดประกายขึ้นมาเป็นจุดเล็กๆในความไม่รู้ผืนใหญ่นะั้นขั้นนี้มาถึงขั้นที่ห้าตรงนี้แหละครับจะเป็นขั้นแปลกหน่อยคือขั้นรู้แบบปัจจเวกปัจจเวกเนะี่ยเป็นการ รู้แบบไม่หลงด้วยและรู้แบบแยกด้วยเป็นการผสมกันระหว่างรู้แบบมักกับรู้แบบปริยัตเป็นต้นจนกระทั่งถึงปีปัสนาหมายความว่างไงเออตรงนี้ถ้าคนพอคุ้นคุ้คเรื่องปัจจุเวก็ฟังแล้วว่าแค่นี้ก็รู้เรื่องเลยคืออย่างพระอรหันเนี่ยท่านนอนหลับท่านก็ไม่หลงในเรื่องปฏิจจัง ท่านนอนหลับท่านก็ละใ้กระบวนการของปฏิจจะได้แล้วโดยที่ไม่ต้องมานั่นคิอคดอะไรแต่พระอาหารหันเนี่ยบางครั้งท่านก็มาป จ, จิเวกถึงพเพราะเออเราได้เราเยไม่หลงในอะไรไอ้ความรู้นั้นค่อยๆมาทีละชิ้นทีละอันหรือมากชิ้นมากอันก็ได้แล้วแต่ท่านจะปฏิจจเวกว่าอย่างไรดังนั้นพระอาหารหันเมื่อปัจจะเวกถึงปฏิจจะทีละองค์งเหมือนอย่างรู้เท่เจ้าลงปัจจเิเวกเมื่อหลังจากทะลุนะครับ ก็เป็นการปัจจเวกอย่างผู้ที่ละแล้วรู้แล้วแล้วก็นำมาทบทวนใหม่ก็เลยให้จำว่าปัจจเวกขณะยางนั้นรู้แบบสมบูรณ์ด้วยแล้วก็แยกหน่วยความรู้นั้นมาพิจารณาเป็นส่วนๆด้วยฟังได้ใช่ไหมฮะ <c oughs> ทีนี้ข้อต่างสำคัญเนี่ยคือ ข้อหนึ่งถึงข้อสี่มีพูดถึงความรู้สี่ห้า้าขั้นเมื่อกี้นะข้อหนึ่งถึงข้อสี่เป็นการรู้ที่กําลังละเป็นความรู้ที่กําลังละถ้าขั้นปริยัติก็กําลังละในเกณฑ์ปริยัตขั้นฌานอภิญญาก็กําลังละในเกนณฑ์ฌานอภิญญาขั้นวิปัสสนาญาณก็กําลังละในเกณฑ์อภิญญาในเกณฑ์วิปัสสน า, านขั้นมร ก, ก็กําลังละในเกณฑ์ของมรนามภา ความชัดเจนหรือความสมบูรณ์การละต่างกันไปตามระดับกันแต่พอมาถึงปัจจเวกเนี่ยเป็นความรู้ที่ละแล้วแตนถึงใจเราไม่ได้ละแล้วก็ไม่ได้ก่อไม่ได้ดับแล้วไม่ได้ก่อเพราะละแล้วกาลังรู้อยู่กาลังรู้อยู่แต่ละแล้วไอ้สี่ข้อก่อนนั้นกําลังรู้และกําลังละอันนี้เป็นข้อแตกต่าง แล้วนั่นพระอาหานเนี่ยท่านก็มีสิทธิที่จะมานั่งพิจารณาว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยที่มีเจล า, ามลณะหรือบางทีท่านก็มานั่งทำวิปัสนาแต่ทำแบบปัจเจเวงทำในรูปของปัจเจเวงเวลาท่านพิจารณาไม่ได้คิดลอยออกไปนอกตัวแล้วคิดก็คิดไปอยู่ในตารานแต่คิดแบบเห็นอยู่เดียวนั้นเลยแบบปัจเจเวงมันก็มีค่าแต่ว่าปัจเจเวงก็คือวิปัสนาของพระละก็รู้เห็นอย่างงอย่างเงินแต่ว่าท่านรู้ว่าท่านละแล้ว ทำเป็นภ้าสุขภิสาระทำไปเท่านั้นเอาล่ะผมก็จะให้ท่านไปดูในประเด็นที่สี่ที่ท่านปาวิทย์ถามท่านมูศิละว่าเว้นจากความเชื่อความพอใจการตามการฟังตามเข้ามาความตึกไปตามอาการการทนต่อความเพ่งพินิดด้วยทิฏฐิ ท่านมุสีระมีญาณเฉพาะตัวว่าพบดับเป็นนิพพานหรือแต่ตรงนี้ท่านใส่บาลีเข้าไปหน่อยครับพบดับเป็นนิพพานเนี่บาลีเรียกว่าภวะนิโรโธนิพพานังภาวะนิโรโทรนิพพ า, านังพอสําเขาะว่าแหวนภาวะนิโรโทรานานแปลว่าพบดับนิพพานังคือเป็นนิพพานคํนนาคว่าพบดับเป็นนิพพานหมายถึงผู้ปฏิภพขันพบหมายถึงขันตรงนี้ไงนามรูป เป็นนิพพานเ อ, อ่อตรงนี้นะท่านมุ่งเอาอนุปาทิเสนิพพานอนุปาทิเสนิพพานซึ่งคนที่จะรู้เห็นรู้ว่าเราเนี่ยทำมาถึงขังน้นนี้พบเราดับแล้วเรานิพพานแน่แล้วจะถึงนิพพานแน่แล้วถึงมิเหตุแห่งการที่อนุปาทิเสนิพพานแล้วต้องเป็นอะไรท่นน า, านนะไปปลาหลั ต้องเป็นลาหลานแเราจะเห็นว่าเวลาไปถามรานในเชิงรูปหลักการเนี่ยพระานารตอบทะบใจพอเป็นนรหันแล้วต้องนิพพานใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะท่านตอบทะบใจพอตอบว่าเวนจากกวามเชื่อเนี่ยผมยอมรู้ยอมเห็นพบดับเป็นนิพพานคือผมรู้ว่าลูกปลาที่เสดสนิพพาน ท่านปวิทธาซึ่งเป็นพระอนาคามีก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านมุสิละก็เป็นพระอาหารหันต์กีนาศกนะสิเมื่อท่านปวิทธากล่าวอย่างนี้ท่านพระมุสิละได้นิ่งอยู่การที่คนถูกถามปัญหาและจนแต้มเนี่ยมีจนแต้มมีสองอย่างหนึ่งจนเพราะหมดภูมสองจนเพราะว่า ค ว, ความดีเยอะไปความดีเยอะไปบางเรื่องในรู้แต่ตอบไม่ได้ไม่ควรตอบนะเห็นว่าจะต้องไปพูดถึงไอ้ความไม่ดีอะไรของเขาว่ามันแจ้งเงี้ย่างนี้เพราะว่า อ, อทําไมถึงต้องมาช่วยเหลือดูแลวนนี้เพราะว่าเขามีไอ้อะไรอย่มันตอบไม่ได้ตอบเนี่ยคนนั้นเสียทันทีเลยมัเรื่องที่ต้องปกปิดไ อ, อ้อ ย, อ, ไย อ, ยยอย่างนี้ก็ตอบไม่ได้ถึงว่าใครยังไงยังพูดว่ายังไงก็ตอบไม่ได้อยู่ดี นิพพานหลนเนี่ยยังบอกว่าใช่เย็ดไม่ได้หลานต้องนิ่งอย่างเดียวอบาลีถึงใจว่าตุนหีตุนฮีอาโหสิตุนฮีอโหสิหสแปลว่านิ่งนิ่งอยู่อตรงนี้ฟังจานวนเอกสาท่านท่านแก่ท่านบอกว่าพระขี่นาศไม่กล่าวว่า เราเป็นหรือไม่เป็นพระขี่นาศได้แต่นิ่งอย่างเดียวลองคิดสิจะให้ตอบว่าเป็นไม่เป็นก็ไม่ได้ไม่เพราะท่านเป็นอ่ะจะตอบว่าเป็นก็ไม่ได้ท่านจะไม่ตอบเพราะวิธีเวลาพยากรกับพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าเป็นอรานเนี่ยท่านจะไม่พูดากับผมข้าพระองค์เป็นแล้วไม่ตอบท่านจะพูดเป็นคนที่สามสะดวดีคนที่สามว่าท่านผู้เป็นพระอาลานอย่างงู้ย่างนี้ อันก็พูดเป็นคนที่สามไปขนาดกับพระพุทธเจ้านะ่ะไม่ไ ม, ไม่ไม่ตอบว่าข้าพระองค์เป็นข้าพระองค์สึ้นอ่ะก็ว่ายจะไม่พูดตรงตรงนี้ก็เลยต้องนิ่งเป็นทางเลือกที่สามทีนี้อย่างนี้ถ้าปุถุชนมาต่อก็ดีเหมอนกันสมมติว่าเอไม่ได้เป็นแล้วมีใครมาถามเป็นระถ้าพรปุถุชนนั้นพอรู้ประสูติหน่อยเนี่ยถามวเป็นอรหรันต์หรืหนึ่ง ได้ชาแล้วพีเนี่ยนิ่งนิ่งเพื่อในใจหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าเราเป็นตอบแบบใบบอกใบว่าเป็นทั้งที่ตัวเองรู้ว่าไม่เป็นถ้าอย่างนี้แล้วต้องตอบรีบตอบปฏิเสธนะไม่งั้นนานลกจะกินหัวนะเนี่ยเอาเอาอาการของละลานมาตอบไม่ได้ต้องรีบปฏิเสธไม่ใช่เว้น <c oughs> แต่จะเข้าใจปิดกันไปเลยทีนี้ ในส่วนต่อไปของสูตรเนี่ยปรากฏว่าท่านนารทะได้กล่าวว่าท่านปวิสาวาสตาท่านปวิตตาผมเพิ่งได้ปัญหานั้นท่านจงถามปัญหาอย่างนั้นผมจะแก้ปัญหานั้นแก่ท่านท่านปวิตตากล่าวว่าท่านนาระได้ปัญหานั้นผมขอถามปัญหานั้นกับท่านนารทะและขอท่านท่านนาระจงแก้ปัญหานั้นแก่ผมทําไมท่านนาระซึ่งเป็นพรานาคามีจึงขอให้ท่านปวิสาวัมาถามบ้างแล้วจะเห็นว่าท่าน นาราอาจารย์าวิธาเนี้ยถามหน่งีถามท่านมูสีลาปัญหาว่าท่านนารทธาถามอย่างนี้ทำไมถามอย่างนี้บอกให้ถามตัวทำไมคำตอบก็คือว่าท่านต้องการจะบอกว่าท่านไม่เป็นพระอราหารันและบอกทำไมบอกเพื่อเป็นการบอกว่าท่านมูสีลาเป็น ร, ราลาน ที่ต้องการทําให้ชัดเจนตอบแทนเพราะว่านาคารมีอาหารไม่ใกล้เนี่ยรู้ธรรมะคล้ายๆกันเลยแต่พอถามเป็นอาหารบางออกไม่ได้เป็นทํำไมไม่นิ่งอ่ะไม่นิ่งเหมือนท่านมุธิละเพรานิ่งไม่ได้นิ่งก็เป็นอาหารด้วยแสดงว่าที่ท่านนิ่งเนี่ยท่านต้องเป็นอาหารนี่เป็นการประกาศคุณพระอรหันต์โดยปริยายโดยอาการโดยพื้อ่ะเราก็เลยมาดูคําถามสุดท้าย เราค้ำคางคํ า, า, าถามที่ใกล้ๆกันไปท่านถามว่าท่านาวิษณ์เนี่ยนะถามว่าดูก่อนท่านนาทะธานาติชายเลยครับเว้นจากความเชื่อเป็นต้นเนยท่านนาโรธามียานอย่างรู้ว่าพบดับเป็นนิพพานดังนี้หรือพอถามคําถามนี้ซึ่งเป็นคนจะตอบได้ทั้งเป็นอาหารหันต์มียานอย่างรู้ตรงนี้รู้อนุปาฏิเสเนือบนิพพานรู้ด้วยแล้วก็วอทําความอเป็นอนุปาฏิเสธนิพพานให้เกิดขึ้นกับตัวต่อไปด้วย ได้แล้วด้วยวางนนั้นกระดาษท่านระวิจารณ์นี่คําตอบของท่านนารทะเว้นจากความเชื่อผมย่อมรู้ย่อมเห็นอย่างนี้ว่าพบดับเป็นนิพพานแล้วก็ถามต่อบไปว่าถ้าอย่างนั้นท่านนารทะก็เป็นพระอราจารย์ตะีณาศพนะสิท่านตอบปฏิเสธว่าอาอุโศข้อว่าวพบดับเป็นนิพพานผม เห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงแต่ว่าผมไม่ใช่พระอรหันตตะีณาศพเออตรงนี้ทําไมถึงตอบรับบระรูที่ท่านตอบรับประรูเนี่ยท่านอธิบายว่าท่านรู้ด้วยอํานาจปัจจเวคขณะยานปัจเจเวคหมายก็ว่าคือถ้าเป็นอนาคามีปัจเจเวกเนี่ยจะรู้ว่าตัวเองได้อะไรได้มรรคได้ผลลัพธ์กละกิเลสอะไรยังเหลือและจะละได้ด้วยอะไรละแล้วจะเป็นอย่างไร มันเขา ม, ามียานอย่างรู้ท่านหมายถึงมีปัจเจเวกลำพึงถึงอนาคตนว่าเรานั้นเลื่อนไปหน่อยแล้วก็เป็นอราหารันเราต้องอนุปาทิเศสนิพานเนี่ยตรงมี้เขายานอย่างรู้จึงหมายถึงปัจเจเวขนายานไม่ใช่อารามะฆานดังนั้นท่านจึงไม่อาจรับได้ว่าท่านเป็นพระอราหารันแลวท่านจึงเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนน้ําในบ่อทีงง่มีท่านไม่มีโพงจะตักแต่ก็ร้วน ในบ่อนี่มีน้ําแต่เครื่องมือตักยังไม่ได้ยังไม่มีเห น, น้ําแต่สัมผัสยังไม่ได้สัมผัสสยายนยังไม่ถึงเ อ, อข้อนี้ท่านก็เลยปเปรียบเทียบโอยืดยาวข้อปเปรียบเทียบเนี่ยว่าโพงคือเครื่องมือตักน้าเหมือนนาราธรมะซึ่งท่านยังไม่ได้แต่ข้อปเปรียบเทียบอือีกยาวที่ท่านเปรียบความไว้ เ, เมื่อท่านนาราชาตอจนถึงที่สุดแล้ว ท่านอนนนท์ที่อยู่ในที่นั้นได้กล่าวกับท่านปวิทราว่าดูก่อนท่านปวิทธาท่านชอบพูดอย่างนี้ท่านได้พูดอะไรกับท่านานาราะบ้างควาจริงก็ฟังอยู่แต่เนื่องจากว่าท่านอานอนท์เนี่ยท่านยังห่างไกลยังห่างไกลเพราะท่านเป็นแค่โซดาก็เลยถามเนี่ยคือคาพูดทีได้ยินมันก็เหมือนไม่ได้ยินยนะเพราะว่าความลึกมาก ทวิชาก็เลยกล่าวโดยสรุปถวายทานนนลว่าอท่านอนอนลผมพูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอะไรกับท่านานาร tha นอกจากกายาธรรมนอกจากกุศลธรรมก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องนักเรื่งผลตอบสั้นๆคอือันนี้เราก็วาดตาเหมือนกัในือใครมีเด็กเด็กในทางนมานั่งคุยเรื่องอะไรลงมาไม่มีอะไรว่าอธิบายก็เมื่อยปากไม่มีอะไรก็คุยกันเรื่องการทำบุญเรื่องบุญทางการกุศลนี้ก็พูดในพอ เข้าใจหลักใหญ่อย่างฮ้เหรอครับอาชีวท่านอาจจะสงสัยอาชพระนอนก็เรียนรู้มาเยอะทําไมทําไมจะพูดไม่รู้เรื่องเลยบอกเมื่อจะคุยกันในอารมณ์ปฏิบัติเนี่ยเรียนเยอะก็ได้แต่เรื่องภาคปริญญาคุยไปถ้าคุยภาคปริญญาดีท่า น, นอารมณ์จะเก่งกว่าเลยนะแต่เมื่อคุยภาคปฏิบัติเนี่ยก็เป็นส่วนของภาคปฏิบัติจะไปทํายังไงก็รู้เจ็บแจ้งอะไรไม่ได้เออเกสารเรื่อ ง, องหลักความเชื่อสิบเนี่ผมมามาให้เพื่อจะประกอบว่ามัน ในหลักความเชื่อในส่วนผลขั้นลกุตละขั้นภาวนาเนี่ยอท่านมีมาตรฐานเว้นมาตรฐานของกาลามาสูตรที่ตรัสไว้ <S <S ใช้ไม่ได้ทีนี้ในในพระสูตรที่มีอยู่ห้าข้อบางข้อก็ไม่มีในกาลามาสูตรนะบางข้อก็ไปซ้ําบางสองข้อในกาลามาสูตรเี็ผมเลยอยากให้ท่านดูสังเ ก, ตเก็ตเขียนไปลงไปนะว่าข้อที่ตรงเป๊ะก็คือข้อหนึ่งอนุอนุอนุสวนาเนี่ยครับอนุสวะ หรือลสเวนะอ่านเดียวไป น, นะข้อหนึ่งในในสนุดแรกที่แจกใบเดียวตอนหลังได้ยังเหร อ, อที่แจกตอนหลังตอนพักเนะี่ยว่าอย่าเชื่อโดยได้ยินตามๆกันมาอันนี้ตรงกันนะครับแล้วก็ข้อที่ว่ารู้จยาความพอใจกับสัทธายักษ์องอย่าง มาอยู่ในข้อเก้าับข้อสิบคือเชื่อปัจป ร, ร, รูปรตายะบุคคลนี้มีความน่าเชื่อกับผู้นี้เป็นครูของเราสัตาญา ร, รุจยามาอยู่ในในสองข้อนี้รวมกันจะเขียนเป็นข้อว่าในในกาลมาสูตรเนี่ยตรงกับอนุสวร์ในในระสูตรนะแล้วก็ข้อเจ็ด ตรงกับตรงกั น, นะคะืออาการบริวิตตกาข้อที่แปดตรงกับทิศทิมิชานักขันติและข้อที่ เก้ากสิตรงกับข้อสัทธายะกับล ah ุกิยาอันนี้เทียบเียข้อกันระหว่างพระสูตรที่เรากำลังพูดถึงกับกาลามาสูตรที่เราเคยได้ยินโดยทั่วไป <c oughs> ก็เป็นการแสดงถึงหลักความเชื่อขั้นภาวนาว่ามูลความเชื่อในทางโลกิยะทั่วๆไปเนี่ย ไม่ว่าจะรูปเหตุผลไม่ว่าจะรูปประสบการณ์ทางตาทางหูจมูกเรี่ยความรู้ความเชื่อขั้นโลกุตละขั้นภาวนานั้นเป็นพิเศษนอกเหนือจากนี้เอาไปใช้ไม่ได้คือไม่ไม่เป็นมาตรฐานความรู้ขั้นภาวนานความเชื่อขั้นภาวนาก็เลยความเชื่อสำเร็จจากภาวนานันเหมอกับสาเร็จจากที่ไม่ใช่ภาวนานที่ไม่ใช่ภาวนา น, นจะสำเร็จจากอะไรก็แล้วแต่ในติดอยา่าง เอามาใช้ไม่ได้กับที่เอามาใช้ไม่ได้กับความเชื่อที่สําเร็จกันโนนแต่ไม่ได้ปฏิเสธความเชื่อที่สําเร็จด้วยประการอื่นเพียงแต่ว่าความเชื่อที่สําเร็จด้วยประการอื่นนั้นความเป็นอื่นหรือคุณค่าน้อยกว่าเพราะข้อหนึ่งในข้อหนึ่งของตารามาสูตรที่ผมใส่ในวงเล็บนะแล้วก็เอาเอาข้อ ในพระสูตรนี้ไปใส่ว่าในพระสูตรมันไปกลมกับในกลามาสูตรของข้อไหนข่อนไหนเอสําหรับอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมันมันมีในวัดนี้มีเลยสองสูตรสูตรหน้าเป็นสูตรที่สั้นๆทู่นที่ที่แปดที่เก้าเนี่ยนะผมก็อาจจะแจกแล้วก็ข่านไปแล้วก็จะไปเริ่มอธิบายพระสูตรที่น่าสนใจอีกสูตรคือสูตรีมาสูตร เกี่ยวกับเรื่องของปัญญาวิมุตต์กับอุปตุลภาคาวิมุตต์เป็นสูตรที่มีเนื้อหานะยาวถึงแปดหน้ากระดาษขณะเก็บความอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็จะมาแจกให้ทีละเครื่แล้วก็อธิบายกันก็หน้าปังสรือเป็นหลักฐานที่สําคัญอย่างเอกในเรื่องของการปฏิบัติทีเดียวนะครับวันนี้ก็พอสมควร